องค์กรหยดห้าห1กํากำินดจอมานเท่าสารพพิษตอนที่6ตอนการบาเพ็ญตบะการนั่งสมาธิใกล้ค่ำแล้วอากาศยามนี้เริ่มเย็นลงเราสิทภายหลังจากการฝึกฝนวิยุทธ์ต่างๆต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนคงเหลือแต่สนิมะิ0ผู้พี่ และบุภาทิพย์เท่านั้นที่เฝ้ามองกระแสน้ำไหลเอื่อยๆ่ณการไหลเวลาของสนักใจบุภาสิบพี่ข้าไม่เข้าใจเลยทำไมเราเพื่อนเพื่อนจึงได้ทอดทิ้งสันนักไปบุภาทิพย์ถามขึ้นอย่างขัดข้องใจนะักทั้งๆที่พวกเราต่างผ่านการฝึกกรรมเที่ยวเข็นมาอย่างหนักจากท่านผู้เท่าประหลาดมิหน้าละ ท่านผู้เท่าประหลาจึงมักยำว่าเพลงกระบี่อนุภาพจะร้ายแรงเพียงใดแต่ท่านจะถ่ายทอดให้ทางจิตที่บริสุทธิ์สู่จิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงก่อเกิดอนุภาพรุนแรงมหาศาลและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงไม่ยอมถ่ายทอดเคล็ดวิชาสุดท้ายพวกเราแต่ท่า น, านก็ยั ง, ยงดีดที่มอบว<อ>ิชาบาด<า>พระยุลย<า> อันเป็นบาทที่รวมวิชาทั้งหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งสามการไวและเมื่อบาตรนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยวิชาจะกลับพลิกคว่ำลงมาและกลับกลายเป็นกังสดานทรงอนุภาพยิ่งหนักพร้อมด้วยรหัสวิชาที่จะทำให้กังสดานนั้นมีชีวิตและพัฒนาวิชาเป็นอย่างต่อเนื่องทุกวินาที ผู้มีไว้ครอบครองสามารถเรียนวิชาจากกังสดานี้ได้ไม่มีจบสิ้นสนิมะกาวถึงวิชานี้แล้วหันไปศพตาจากกบผาทิพทิทั้งสองตางทรรหัสออกพร้อมกันกังสดานรมิตบุญยริตปาติหารพิสดานทัพตวีนิโรธสมาบัตสมาบัตไมนิโรธ มิทันใดปากกดเสียงเจ้าสำนักไตบุผาดังขึ้นว่าเจ้าทั้งสองทำอะไรอยู่ยัยไม่กลับไปพักผ่อนสนหิมะและบุผาทิพหันกลับไปมองอย่างดีใจที่ศบโอกาสอยู่ตามราพังกับท่านมังกรที่ว่าอาจารย์เราทั้งสองไม่เข้าใจยัยสิบพี่ทวนตะวันและเพื่อนเพื่อนต่างทอดทิ้งสำนักไกลบุผา ท่านมังกรที่วาวหัวเลาะเปบาๆตอบกลับสิทธ์ทั้งสองอย่างอารมณ์ดีว่าข้าแน่ใจว่าท่านเท่าประหลาดได้อบรมสั่งสอนพวกเจ้าถึงการบำเพ็ญตบะและการนั่งสมาธิซึ่งเป็นสองเสาหลักแห่งการฝึกฝนวิทยายุทธทั้งหลายพวกเจ้ารู้ไหมว่าการที่พวกเจ้าถูกเคี่ยวกล้ฝึกฝนอย่างหนักที่ถ้ำหัวแดงมานั้นเป็นการบำเพ็ญตบะ ซึ่งหมายถึงการต้องอดทนอดกลั้นในการฝึกฝนสิ่งที่ยากลาบากด้วยการเครียวกรรมตนเองอย่างลำบากในทุกสภาวะที่ถูกสอบไม่เลยข้าไม่เคยรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราฝึกฝนอยู่ที่ถ้าบัวแดงนั้นต่อให้เหนื่อยยากลำบากขนาดไหนก็ไม่รู้สึกทุกทรมานตรงกันข้าม ช่วงเวลาขณะนั้นกับเป็นช่วงเวลาที่ข้ามีความเพิดเพลินมากเลยท่านเจ้าสำนักบุภผาทิพยักษนาสนับสนุนคํากล่าวของสนหิมะสิบผู้พีสำหรับตัวเธอในชัยแต่สำหรับบางคนก็ถือว่าเป็นเรื่องทรมานแสนสาหัสการบังเพนตบจะเป็นความทุกข์ยากของคนที่ขาดศรัทธา และเข้าใ จ, ใจความหมา ย, มายที่แท้แทจริ ง, รงของก<อ>ารฝึกฝนสิ่งนั้นทำไมท่านพุทธประหลาดจึงต้องฝึกพวกเจ้าอย่างหนักสนธิมะและบุปผาทิพย์ใส่หน้าพร้อมกันการบำเพ็นตะบะ ก, ก็เพื่อฝึกฝนให้เกิดการหลุดล่วงทั้งกายและใจสิ่งนั้นก็คือความเคยชินที่ไม่ดีหรือสันดานหลายๆที่เกาะยึดแน่นในร่างกายและจิตใจ อะไรคือสันดานคือความเคยชินที่ไม่ดีทั้งปวงข้าไม่เข้าใจสวนหิมะถามสิ่งนั้นก็คือแรงเฉยของกรรมที่สืบเนื่องจากอดีตและแฝงเลนอยู่ในจิติตใต้สานึกกับจิตไร้สานึกของคนเราและบางส่วนก็โผล่ให้เห็นชัดเจนในจิตสานึกภายนอกของคนการขจัดความเคยชินที่ไม่ดีของเราทิ้งไป จึงเป็นการหลุดล่วงทั้งกายและใจจึงต้องมีการรักษาศีลการฝึกวิในตนเองตราบใดที่ยังไม่มีการฝึกฝนการหลุดล่วงทั้งกายใจก่อนอย่าหวังเลยว่าที่จะเข้าสู่ขั้นตอนแห่งวิชาสุดยอดคือฌานสมาบัติที่แท้จริงไปได้ท่านมังกรที่ว่าพูดจบก็นั่งลงบนขวดหินลินนาม สิทธ์ทั้งสองจึงนั่งลงค้างๆและเอ่ยถามอย่างสนใจยิ่งถ้าเช่นนั้นพวกที่ละทิ้งท่านไปต่างล้วยไม่ผ่านการหลุด่วงทั้งกายใจที่แท้จริงถูกต้องเพราะผ่านการบาเพ็ญตะบะมาใหม่ๆสันดานที่นองเนื่องในจิตไม่หลุดล่วงจึงสําแดงออกสู่จิตภายนอกนี่จึงเป็นเหตุผลที่สิทธ์อวุโสทวนตะวัน มาขอค่าให้เก็บและเรียกร้องเงินทองจากผู้ที่จะเข้ามาฝึกฝนในสำนักไตบุปผาแต่ข้าไม่ยินยอมพวกศิษย์อาวุโสทั้งสามเห็นว่าอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์จากตัวข้าจึงรีบปีกตัวจากไปมิคาดว่าจะชักชวนศิษย์อื่นล้วนตามกันออกไปด้วยเหตุผลที่พวกเขาวางกลลวงว่าข้าคือจอมมารเท่าสาพัพิษ เราทั้งสองจงจำไว้ความอ่อนแอจะเป็นของผู้ที่ยอมให้ความคิดของตนมาควบคุมการกระทําของตนแต่ความเข้มแข็งจะเป็นของผู้ที่ใช้การกระทําของตนไปควบคุมความคิดของตนเองในแต่ละวันการบำเพ็ญตบะก็คือการฝึกจิตในเรื่องต่างๆคือศรัทธา คือการฝึกใจเลื่อมใสต่อการทำความดีวิริย ะ, ยะคือการฝึกใจมีความภาคเพีย์พยายามในการทำความดีอุเบกขาคือการฝึกใจให้ละทิ้งอัตตาตัวเองสงบนิ่งไม่เอียงเอียงฮิลิโอตปปะคือการฝึกใจให้มีความละอายต่อบาปไม่โลภ คือการฝึกใจไม่ให้มีความโลภไม่ยึดติดกับลาบยศและสรรเสริญ ไ, <ม>ไม่โกรธคือขันติติคือการฝึกใจให้มีความอดกั้นสูงและรักผู้อื่นไม่คิ้งร้ายคือการฝึกใจให้เป็นไอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงทั้งกายวาจาและใจปัตสติ คือการฝึกใจให้สงบระงับแค่เรื่องไม่โลภและไม่คิดร้ายยังทำไม่ได้นับภาษาอะไรที่พวกเขาเหล่านั้นจะมาพูดถึงการปฏิบัติสุดยอดวิชาชั้นสูงสุดแห่งวิชาของสิ่งคือไตวิสุทธิ์ไตวิสุทธิ์คืออะไรใครเป็นผู้สืบทอดวิชามีความเป็นไปอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป